ขั้นต่อไปเอ๋ทรงจำได้ยังทรงจําแล้วถ้ายัางนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเมื่อทรงจําแล้วเอ๊ะ๋จำค้องปากได้ยังแต่นี่ค้องปากได้ยังแปลว่าอ้าปากมาแล้วได้เลยได้เป็นชุดเลยฟังแล้วใช่ไทรงจําแล้วคล้องปากไอ้ค้องปากบางทียังไม่ขึ้นใจนะอย่าลืมนะต้องมาขึ้นใจบางทีมันคล้องเมทองไปคล้องอย่างเช่นอิติปิโสพระกวาละหังสัมมาสัมขึ้นใจอย่างใจน้อมไป น้อมไปเราเห็นใช่ไหมเห็นความหมายแต่ละคำไหมทีนี้พอคล้องปากขึ้นใจเนี่ยแล้วก็ตามเพ่งด้วยใจไอ้เพ่งตัวนี้คือโยนทิ่สมนักสิการเนียคือการเพ่งด้วยใจไงพอเพ่งลงไปแต่ละในคำสอนด้วยใจแล้วแทงตลอดดีดีด้ว ย, วยทิฏฐิทีนี้ปัญหามาในปัจจุบันเนี่ยให้สังเกตดูเวลาเราศึกษาคำสอนกันเนี่ยเวลาเราจะวิชัยอะไรเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดดูก่อนเปิ ด, ดมานั่งคิด อันนี้มันหมายความว่าอะไรนะเหมือนนักตีความกฎหมายกันนั่นนะพอมาตีความกฎหมายกันเอ๊ะประโยคนี้หมายความว่าอะไรก็ไม่ขยายไม่เข้าใจก็ส่งตีความกันแล้ก็อยู่แค่นี้ยไม่ได้คล้องปากไม่ได้ขึ้นใจเลยนะฟังไม่ได้ทรงจําเมื่อไม่ได้ทรงจําก็ไม่คล้องปากไม่ขึ้นใจไม่แทงตลอดด้วยไม่เพ่งด้วยใจพอไม่เพ่งด้วยใจก็ นั่นถ้าจะให้ศึกษาคําสอนกันจริงๆจังๆไม่ค่อยเอาเลยแต่ทำงานโยธานี่อโอ้ยไปกันเป็แถวเป็นแนวต้องเกลียดด้ยนี่ถ้าคันถาธุระนี่โอ้โหชักไม่ค่อยเอาเลยถ้าโยธาธุระนี่โอ้โหเป็นกิจจารเร่อจะเป็นลักษณะอย่างน <c oughs> ี้คือพอทำทำโยธาธุระนี่มันได้เอะเอยวายได้ A A ay, ใช่ไหมทําอะไรตามใจได้จะร้องเพลงทําไปก็ได้จะเล่นสนุกสนานอะไรก็ว่าก็ง้อไปใช่ไม่ใช่แล้วตื่นเต้นหมดแหละคนทํางานคนนี้ไม่ง่วงด้วย อย่างโยงมพี่เข้าสวนยังไม่ ง, ง่วงยังไม่ง่วงได้งไงแดดกด็ร้อนทํางานปุ๊บก็เป็นนี้แต่นี่ถามว่าที่ทําแล้วจะให้ก็เป็นไปกับบุญเลยอเห็นไหมทํางานน่ะได้ยิงแต่ด้วยมากก็ทําตามอัธยาศัยที่เราทําแต่ถ้าให้น้อมเป็นไปกับบุญจริงๆทําเพื่อเป็นพุทธบูชาจริงๆความคิดจะต่างกันเลยเนะียจะต่างกันเล ย, ต, ยต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าทํางานโดยโดยโด ย, โดยเออเราสนุกสนานทําเพื่อเพลินไปมันก็ทํางานนั่นแหละ แต่ถ้าทำบอกเออน้อมเป็นพุทธบูชาบูชาพรทเจ้ามันจะคนละเรื่อง ก, กันเลยใจที่ทําก็จะคนละเลรื่องทีนี้หนักไปกว่านั้นนะเอาน้อมมาศึกษาคําสอนแล้วเพ่งเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยิ่ยิ่งๆต้องอาศัยคนมีความเพียรค่อนข้างดีให้เกิดความเอือ้อเมว่าเมื่อสมบูรณ์ด้วยอัฏฐาและพยัญชนะและ้วก็ได้คําทั้งสองอย่างนั้นย่อมเกิดความเอื้อเฟื้อในการฝังเพราะว่าผู้ไม่สดับธรรมที่จะบริบูรณ์ด้วยอัฏฐาและพยัญชนะโดยความออเอื้อเฟื้อย่อมหมื่นหางจากประโยชน์เกื้อกูลนั้นใหญ่ หมายความว่าคนที่ไม่สดับคำสอนเนี่ยก็หมายความว่าที่บริบูรณ์ด้วยอัตแลศพยัญชนะโดยเอื้อเฟื้อก็ห่างเหินถ้าถ้าไม่เอื้อเฟื้อต่อการฟังเช่นว่าทรงจำไม่ทรงจำไม่คล้องปากไม่ขึ้นใจเป็นต้นเหล่านี้พอพอไม่เอื้อเฟื้อต่อการที่จะฟังเพราะว่าผู้ไม่สดับธรรมที่บริบูรณ์ก็เพราะถ้าเราไม่ฟังให้ให้บริบูรณ์นะทั้งอัถาทั้งพยัญชนะให้บริบูรณนะ์ อย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่เอื้อเฟื้อก็เหินห่างจากประโยชน์คําว่าเหินห่างจากประโยชน์นี่น่าคิดมากเช่นประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานจักไม่ได้เออมีข้อจํากัดอย่างนี้นะว่าถ้าจะบรรลุประโยชน์สูงสุดคือพออออะะ ร, ระนิพพ า, านเนี่ยแปลว่าต้องเอื้อเฟื้อโดยการฟังถ้าไม่ฟังคําสอนโดยความเอื้อเฟื้อคือไม่ฟังให้ดีทั้งอัดและพยัญชนะเนี่ยโดยตรงคือได้ปรมาภัยประโยชน์ไม่ได้อันนี้มันเป็นการบีบรัดเราแล้วนะ เข้าใจยังแปลว่าเออปราถนานิพพานเนี่ยแปลว่าคุณต้องฟังแล้วแต่ว่าจะฟังสูตรไหนอันนั้นก็ตามแต่อัธยาศัยที่จักวังเมื่อฟังแล้วคือฟังให้เข้าใจทั้งอัดและพยาญชนะถ้าไม่อย่างนั้นจะเหินห่างจากประโยชน์เพราะเหตุ น, นั้นกนละบุตรควรจะให้เกิดความเอื้อเฟื้อจากการฟังในธรรมในธรรมโดยความเคารพนี้ท่านท่านเน้นตรงอัตกถาท่านเน้นเขาไว้ท่านบอกว่าถ้าไม่ ท้าไมเอื้อเฟือเจ็บธาตุจกประโยชน์อันใหญ่หลวงประโยชน์มี3ใช่ไหมคือประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในภพหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในภพนี้ก็ก็ก็เป็นชีวิตในการในหลักทิฏฐาธรรมิกธรรมประโยชน์ความขยันหมันเพียรเลงต่างในการประกอบหาทรัพย์เลงต่างก็ว่าไปประโยชน์ในภพหน้าก็คือศรัทธาศีลสุตตากาชาปัญญาเนี้ยถ้าประโยชน์อย่างยิ่งก็หมายความว่าการเจริญสติปัฏฐานสมปทานเป็นต้นเพื่อเป็นปัจจัยการแทงตลอดพระนิพพาน ท่า น, นประโยชน์เกื้อกูลนั้นใหญ่หลวงเนี่ยคือปรมทัทถประโยชน์เนีจะห่างไกลกับคนที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อการฟังบุธรรมนี่เป็นอย่างนี้ท่านั้นคาว่าเอวเมสุตังนั้นท่านพระนนินมิได้ตรัสถึงธรรมที่พระธรรมคตประกาศแล้วเพื่อตนย่อมล่วงพ้นภูมิอสัตบุรุษเพื่อปฏิญญาความเป็นสาวกความก้าวสู่ภูมิของสัตบุรุษแล้วก็ย่อมยังจิตให้ออกพ้นจากอสัตธรรมย่ยอมยังจิตให้ดํารงอยู่ในพระสัตธรรมเพื่อแสดงว่า ก็พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น่นเท่านั้นข้าพเจ้าได้สดับมาโดยสิ้นเชิงทีเดียวชื่อว่าย่อมเปื้องตนย่อมแสดงอ้างพระบรมศาสดาทำพระดํารัสของพระชินเจ้าให้แนบแน่นประเด็ดฐานแบบแผนพระธรรมเกาไว้คือท่านบ้านนนบอกว่าคําว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เพื่อเพื้องตนเองนะว่าฟังมาอย่างนี้ไม่ใช่ทิฏฐิไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความไม่ใช่ความเข้าใจของตนเองนะแต่ต้องการให้รู้ว่านี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพื่อจะเปื้องตนออก ใช่ไม่ได้ไปยกตนไงเบื้องต้นออกวันนี้เป็นคําสอนของพุทธเจ้าเป็นการยกย่องของพุทธเจ้าวันนี้เป็นคําสอนของพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งท่านพระนนเมื่อไม่ปฏิญญาณว่าธรรมันตนได้เกิดขึ้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้เปิดเผยสดับในเบื้องต้นย่อมยางความไม่ศรัทธาย่อมไม่ไม่ไม่ไม่มีสายพินาศย่อมยามถึงพร้อมความศรัทธานี้เกิดขึ้น เทวดาและมนุษย์ทั้งปวงว่าพระจำหลัดนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระเจ้าผู้กล้าเกล้าด้วยเวสารละชนะยานทั้งสีผู้มีกําลังสิประการนะโทษสปลยานสิบผู้ดํำรงอยู่ในฐานะองค์อาจผู้บบรลือสีหนาฏผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวงผู้เป็นใหญ่ในธรรมผู้เป็นธรรมราชาผู้เป็นธรรมมาธีบดีผู้เป็นธรรมไปที่ผู้เป็นธรรมเป็นสารณะผู้ยังจักอันประเสริฐคือพระสัทว์รำให้หมุนไปคือธรรมจักนั่นเอง ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นในพระดํารันนี้ใครๆไม่ควรทําความสงสัยหรือเครือบแคงในอัฏฐหรือในธรรมในบทพยัญชนะเพราะฉะนั้นท่านพระ น, น์ย่ังยางความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาให้พินาตยังศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมให้ศรัทธาเกิดขึ้นในธรรมนี้เกศเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงโดยประการชานนี้ด้วยเหตุนั้นท่านก็กล่าวคาถาประพันธ์ไว้บอกว่าพระอานน์ผู้เทระ ผู้เป็นสาวกของพระโคโดมกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ย่อมยังย่อมยังความไม่ศรัทธาให้พินาถทําความไม่มีความไม่ศรัทธาพินาถย่อมยังศรัทธาในพระาศาสนาให้เจริญหมายความว่าเมื่อพุทธท่านท่านนนกล่าวอย่างนี้ก็โดยการยกย่องพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อสาธุชนทั้งหลายเนี่นะมีภิกษุภิกษุณีบาสกเล่บาสศการในอนุชนรุ่นหลังๆได้ศึกษาอย่างนี้ จะยังศรัทธาให้เกิดขึ้นว่าอออันนี้เป็นพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคย่าจริงจริงท่านพระอนุนการันตีไว้ในลักษณะอย่างนั้นนะนะต่อมาก็คือว่าแสดงคำว่าเอวเมสุต e e ังเอกังสมยังดูที่อธิบายคำว่าเอวเมสุต e ังยังใช้เวลาตั้งชั่วโมงกว่าแล้วเมื่ อ, อไหรจะจบเนี่ยเอวเมสุต e e ังเอวังศับหนึ่งเมศับหนึ่งสุตังศับหนึ่งสามคเนี่ย อันนี้อธิบายแบบย่อๆแต่อธิบายนี้ไปสูตรอื่นไม่อธิบายอีกแล้วนั้นเหนื่อยเพราะถ้าจะมาเริ่มต้นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่รู้ไปไม่ไปกันไม่เป็นแล้วเ ว, เวลาเจอได้ยินพระท่านสวดเอวังเมสูตรตังโอ้อยฟังมาแล้วใช่ไหมชัดเลยศัพท์เนี่ยแต่ว่าเอกังสมยงัยยังนั้นยังอย่างนี้เอกังสมัยังเอกังไอเกังนี่เป็นการนับเป็นการแสดงกันนะสมยังแสดงถึงสมัยที่กําหนด ถ้าสองบทรวมกันเขาเรียกว่าเอกังสมยยังแสดงสมัยไม่ไม <the> ่แน่นอนสมยยศัพท์เน so ี hard, ่ยนะหรือคําว่าสมัยเนี่ยแปลว่าพร้อมเพียงก็ได้สมัยเนี่ยเอกังเอกังนี่คือ1ก็ได้ไหมสมัยหนึ่งอ่ะสมัยหนึ่งแต่คําว่าสมยะกันนะสมยยังไอสมัยกันสมัยะเนี่ยแปลว่าพร้อมเพียงแปลว่าขณะแปลว่าการแปลว่าประชุมแปลว่าเหตุก็ได้แปลว่าลัทธิแปลว่าได้เฉพาะแปลว่าละก็ได้แปลว่าและแทงตลอดเนี่ยได้หมดเลย โอ้เยอะมากเห็นไหมว่าเวลาเราศึกษาคําสอนถ้าศึกษาอย่างนี้ต่อไปมันจะโล่งต่อไปเวลาฟังคําสอนปุ๊บเนี่ยจะโปร่งโล่งสบายใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นโอ้โหอึดอัดมากอะไรก็ไม่รู้บางพระพูดสมยาศัพท์มีเนื้อความมาพร้อมเพียงเช่นในประโยคว่าอับเปวนามะเป็นต้นชื่อว่าแม่เราทั้งหลายกําหนดการและความพร้อมเพียงพึงเข้าไปหาแม่ในวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นกําหนดแปวความพร้อมเพียงไว้สมัย อีกความหมายหนึ่งแปลว่าขณะก็ได้บาลีไม่ต้องแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโอกาสและขณะเพื่อการอยู่อยู่พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้แปลว่าขณะในการประพฤติพรหมจรรย์แปลว่าการก็ได้เช่นการร้อนการกรวนกว歪โอ้เวลาเนี้ยร้อนเหลือเกินเนี่ยเขาเรียกการที่ร้อนมากโอ้เวลานี้กวนกว歪เหลือเกินไงนี่การนี้ยเน่ยมาจากคาว่าสมัยมันกันแปลว่าสมัยโอ้สมัยนี้กําลังร้อนอยู่ สมัยนี้กําลังกวนกวายอยู่สมัยนี้กําลังหัวเราะอยู่สมัยนี้กําลังอะเนี่ยนี่คือเป็นสมัยอ่ะเป็นการประการจะาแปลว่าประชมุมก็ได้มหาสมัยโยปวนาสมิงการประชมุมใหญ่เออเคยได้ยินสูตรสูตรหนึ่งไหมเขาเรียกมหาสมัยสูตรมหาสมัยยสูตรเป็นเป็นสมัยการประชมุมใหญ่พระสูตรเนี้มีพระรูปหนึ่งที่ท่านไปอยู่อเมริกาท่านบอกหูท่านท่านไม่อยากจะจําแล้วสูตรเนี้ยาวท่านจําได้ไงสูตรท่านจําได้ แต่อาจารย์จําได้ครึ่งเดียวครึ่งทอนท้ายพราะเต่มที่บวยเขาสวดกันก็ได้แค่นั้นดได้จาได้แต่สัตเทเสตสัเตสเทเเทวติกายาเป็นต้ น, นตั้งแต่เอวเมสุตังไม่ได้ก็เลยบอกท่านมาโอ้โห ท, ท่านท่านอย่าทิ้งพระสูตรเนี่ยพระเจ้าแสดงคนบรรลุได้เยอะก็เล่าให้ท่านฟังโอ้ท่านกลับไปทวนใหญ่ก็อกโอ้โหเดี๋ยวนี้ท่องแล้วชื่นใจคือถ้าถ้าไม่รู้สาระนี่นะมันจะเป็นอนะไรจำอะไรไว้เนี่ยทั้งๆที่ของดีใช่ไหม สมมติเราไม่รู้ว่านี่คือทองคือคือเพชรแต่ปู่ย่าตายายบอกเอาเองรักษาไว้ไม่ได้บอกประโยชน์ไม่ได้บอกค่าของเขาเนี่ยแล้วก็เก็บไว้แบบหืมใช่ไหมอึดอัดแต่วันใดวันหนึ่งมีคนมาบอกโอ้โหนี่ของดีมีค่ามากเป็นของเก่าสมัยโน้นสมัยนี้เก็บใหญ่เลยกลับไปปัดปุ่นใส่ตู้อย่างดีดูแลอย่างดีเลยนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าสมัยประชุม คำว่าเหตุก็ได้เช่นว่าดูก่อรพัฒาริแม้เหตุนี้แลเป็นเหตุอันเธอไม่แทงตลอดแล้วว่าพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ใกล้สาวกนใครสาวกถีอันแม่พระองค์ทราบว่าเราภิกษุชื่อพัฒาริเป็นผู้ไม่กระทําให้บริบูรณ์ในศีลคาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ดูก่อรพัฒาริเหตุนี้แลได้เป็นเหตุอันเธอไม่แทงตลอดก็หมายความว่านี่แปลว่าเหตุเหตุอะไรที่ไม่บรรลุไหเหตุอะไรถึงไม่แทงตลอดเพราะ เหตุว่าไม่ทําให้บริบูรณ์ในศิกขาหนึ่งไม่ทําให้บริบูรณ์ในอาทิาศีลสิกขาไม่ทําให้บริบูรณ์ในอาทิจิตสิกขาไม่ทําให้บริบูรณ์ในอาทิปัญญาสิกขาเพราะเหตุนี้แหละเธอถึงไม่ได้แทงตลอดสจา้าถึงไม่ได้บรรลุนั้นมาจากคาว่าสมยะสมัยเป็นสมัยที่ไม่ควรแทงตลอดน่ะถ้าตรงนี้ก็ชัดเลยใช่ไหมถ้าถามว่าเออพวกเราทั้งหลายทําไมถึงไม่ได้บรรลุเรารู้วอ๋อสมัยเนี่ย เหตุแปลว่าเหตุเพราะเหตุว่าเรายังไม่ทําให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาเราจึงไม่ได้บรรลุนี่เราตอบงี่ใช่ไหมถ้าเขาถามว่าเอ๊ะทําไมเราก็ประพฤติทำมาตั้งนานทําไมไม่บรรลุอ๋อเราก็มาเอาสมัยศัพท์นี่มาตอบทันทีอ๋อเพราะเหตุว่ายังไม่ทําให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้บรรลุตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมนี่แปลว่าสมัยเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลว่าลัทธิก็ได้เช่น ก็ในสมัยนั้นแหลปริพาชคชื่อว่าอุขะหะมานะบุตรของนางสมณมุตธธิกาอยู่อาศัยในอารามของนางมันลิกาซึ่งมีสาราหลังเดียวมีต้นมะพร้าวเรียงรายรอบเป็นสถานที่สอนลทัทธินชนั้นลัทธิตัวเนี้ยแปลว่าสมัยแปลว่าสมัยเหมือนกันประโยคได้เฉพาะก็ได้มีบาลีบอกว่าทิเททเมจะโยอโถโยจัดโถสัมปรายโกอัฏฐพิสมยาธโรปัณฑิตตโตติปวุจติ ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจําเราเรียกว่าบัณฑิตเพราะการได้เฉพาะซึ่งประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าฉะนั้นคําว่าสมัยในที่นี้แปลว่าเฉพาะเห็นไหมบอกว่าอะไรคนมีปัญญาเป็นเครื่องทรงจํานี่เป็นบัณฑิตใช่ไหมใช่เป็นบัณฑิตเมื่อเป็นบัณฑิตนะเมื่อเป็นบัณฑิตเพราะการได้เฉพาะได้เฉพาะประโยชน์ในปัจจุบันภพและประโยชน์ในภพหน้าแล้วก็เลื่อนไปถึงประโยชน์อย่างยิ่งด้วยซ้ำไปนั่นเข้าแปลว่าสมัย ประการต่อมาแปลว่าแทงตลอดก็ได้เช่นเช่นว่าบีบคั้นปรุงแต่งเร่าร้อนแปลป่วนแล้วแทงตลอดปีรณโถสังคตาโถสังตาปัโถวิปปะนาโมโถอภิสมยโถเนี่ยเห็นไหมอภิสมัยสมัยยโถเนี่ยก็แปลว่าแทงตลอดเออปีรณโถเนี่ยบีบคั้นเนี่ยอะไรบีบคั้นทุกเงี้ยสัตว์โลกเนี่ยมีทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี ชาติที่ทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดบีบคั้นไหมบีบชราทุกข์ทุกข์เพราะความแก่บีบคั้นพญาที่ทุกข์ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยบีบคั้นบ ร, รณะทุกข์ทุกข์เพราะความตายบีบอยู่ตลอดแหละความทุกข์เหล่านี้นั้นก็เรียกบีบคั้นปรุงแต่งไหมล่ะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนที่ใช่ไหมเร่าร้อนทุกข์เหล่านี้เร่าร้อนไหมเกิดเนี่ยเร่าร้อนไหมเร่าร้อนดิแล้วก็แปรปวนแล้วก็แทงตลอด ทงตลอดนี้เป็นชื่อของอภิสมญาตินี้สําหรับในพระสุตตันตปิกสมาณาศากมีเนื้อความว่าการในที่นี้นะยกตัวอย่างเช่นท่านพระนนท์แสดงว่าสมัยหนึ่งในบรรดาสมัยทั้งหลายอันเป็นประเภทแห่งการเป็นต้นเนอปีฤดูเดือนกึ่งเดือนกลางคืนกลางวันเชา้าเที่ยงเย็นปฐมยามมาชิมยามปัดฉิมยา ม, ม, ยามและครู่นั้นคําว่าสมัยในที่นี้แปลว่าอย่างนี้นะ ก็หมายความว่าสมัยหนึ่งนั้นในบรรดาสมัยทั้งหลายมีปีมีเดือนมีวันกลางวันกลางคืนขึ้นแลมเป็นต้นเหล่านี้พระผู้เผยพระเจ้าตรัสในปีหรือดูเดือนในปักในการเป็นส่วนกลางคืนในปฐมยามปัจฉิมยามปัจฉิมยามหรือในการนเป็นกลางวันกลางคืนเป็นต้นเหล่านี้ทั้งหมดน่ยท่านพระเทล่ทราบดีไหมบอกว่าท่านพระนวลท่านทราบดีแล้วท่านกําหนดด้วยปัญญาและกําหนดด้วยด้วยสติของท่านโดยแท้ถึงอย่างนั้นเมื่อท่านกล่าวว่าข้าพระเจ้าได้มาสดับมาแล้วปีนึสมุตินะ ท่านถ้าท่านท่านนท์บอกว่าเช่นในพรหมชาลสูตรเนี่ยข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วปีนั้นฤดูร้ อ, อนฤดูหนาวฤดูฝนเดือนไหนมกราคมพางี้นะกึ่งเดือนกลางคืนกลางวันเช้าเที่ยงเย็นปฐมยามมัชชิมยามปัชชิมยามหรือครู่หนึ่งเนี่ยถ้าท่านท่านนนท์กล่าวอย่างนี้เนี่ยนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้การเป็นการเวลานน้นเป็นต้นใครๆก็ไม่อาจจะจําได้ หรือแสดงได้หรือผู้อื่นแสดงได้โดยง่ายเพราะเป็นเรื่องที่ต้องต้องกล่าวมากฉะนั้นท่านพระนนถเถระจึงประมวลเนื้อความไว้ในบทเดียวเท่านั้นว่าสมัยหนึ่งเข้าใจตรงนี้ไหมฉะนั้นท่านพระน น, นท่านจําได้ละเอียดละอหมดแหละแต่ท่านไม่กล่าวเพราะมันย่นเยอะท่านเลยใช้คําว่าสมัยหนึ่งจบเลยเลยเนี้พระบอกว่าสมัยหนึ่งเนี่ยจบแล้วโอ้โหถ้ากล่าวว่าสองสอง 0,000 ื่นกว่าสูตรแล้วทํำยังไงเนี่ย ต้องใสยัสยใส่รถบรรทุกใช่ไหมคําสอนนี้ต้องใส่รถบรรทุกเลยแล้วต้องประมาณเป็นสามสิบสี่สิบคันเป็นร้อยคันเลยต้องขนกันมาอย่างนั้นเลยโอ้โหเป็นภาระมากสำหรับผู้ทรงจําในรุ่นหลังคือท่านประมวลดูแล้วโอ้ไม่ไหวแน่ในอนาคตคนที่จะมีความทรงจําก็ขนาดทําอย่างนี้ยังคนบางค น, คนโอ้ยพอจับพระไตรปิฎกในคนแทบจะโยนทิ้งเนะีทุกวันเนี่ยอะไรเย่นเยอะขนาดนั้นก็ไม่รู้ว่างั้นยังไม่เข้าเนื้อหาความสอนเลยใช่ไหมเนี่ย ยังแก่ว่าเอวเมสุตังเอกังสมัยยังได้แค่นี้ยจะฉันเพลิได้อีกแล้วใช่ไหยแค่นี้ยเอวเมสุตังเอกังสมัยยังจะฉันเพลนแล้วฉะนั้นท่านถึงบอกท่านประมวลเลยบอกสมัยหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือท่านพระนนแสดงว่าสมัยที่พุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นบอกว่ามีปรากฏมากมายในหมู่เทวดามุเมียที่ว่าเมื่อสมัยของพุทธเจ้ามีเยอะเช่นสมัยที่ก้าวลงสู่พระครรภ์ก็เรียกว่าสมัยนะเช่นว่าการ จากดุสิตลงมาสู่พระขันสมัยประสูตรใช่ไหมตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูตรจากคันของนางสิริมาวายทรงสมัยสลดพระไทยตอนประพาสป่าเวลาเราไปลุมบินเดเอลุมลุมพินีอะไหมเราสมัยนั้นประพาสป่าก็องเขาบอกว่าเบื่อน่ายสมัยเสด็จออกพนวดนี่เบื่อหนายสมัยทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาใช่ไหมทรมานอยู่ที่ภูเขาดงกสิริหกปีอะ ตอนนี้ยังเห็นหรือเปล่าเวลาไปที่ตรงนั้นเขาชี้ให้ดูใช่ไหมแต่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอยู่หมอขึ้นไปด้วยเลยทําทุกขากิริยาเลยนี่นั่นแหละตอนนั้นน่ยพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาสมัยชนะมารสมัยตรัสรู้สมัยประทับเป็นสุขอยู่ในทิฏฐธรรมสมัยตรัสเทรนาสมัยเสด็จดับขันธปริบาลเราใดในบรรดาสมัยเหล่านั้นสมัยหนึ่งคือสมัยเทศนะนั้นสมัยเหล่านั้นไม่เอานะแต่เอาเฉพาะสมัยที่ทรงเทศนา ที่มากล่าวคาว่าสมัยหนึ่งที่ในบรรดาสมัยแห่งยาณกิจและกรุณากิจสมัยแห่งกรุณากิจนี้ใดในบรรดาสมัยบำเพ็ญประโยชน์พระองค์ก็บําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นสมัยบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้ใดบรรดาสมัยแห่งกรณียกิจทั้ง2ผู้ประชุมสมัยตรัสรามมีคาถาใดในบรรดาสมัยแหเทศนาปฏิบัติสมัยแหงเทศนาใดท่านพระนร์กล่าวว่าสมัยหนึ่งหมดเลยนะหมายถึงสมัยใดสมัยหนึ่งเดิมดาสมัยทั้งทั้งหลายเหล่านั้นถามว่าก็เหตุไรในพระสูตรเนี้ย ท่านจึงทำรรนิเทศด้วยทุติยานิพัทคําว่าทุติยานิพัทธ์ก็หมายความว่าเอแกรงสมัยังเนี่ยไม่กระทาในเหมือนอภิธรรมเออในพระพิธรรมไม่มีเอว่ามีสุตังเอกรงสมัยยังไม่มีคํานี้เนะียในพระพิธรรมจะมีคําว่ายัสมิงสมัยกามวาวะเจรังโูปาวะเจรังอะโลปาวาจรังโลกุจลาเนี่ยก็คือว่าในในพระสูตรในพระพิธรรมจะกล่าวอย่างนี้ในถ้าเราเรียนศึกษาพระพิธรรมไม่มีคําว่า สมัยหนึ่งพุทธเจ้าประทับรู้ว่าจะไม่มีคําว่าเอลเมียสุตังอตอบว่าในพระวิธรรมและพระวินัยนั้นมีอัดเป็นอย่างนั้นในพระสูตรก็มีอัดเป็นอย่างอื่นคืออัดไม่เหมือนกันในปิดกทั้ง3อย่างนั้นอวิธรรมและพระสูตรนั้นน่ะบทอื่นจากพระวิธรรมนั้นย่อมสาเร็จอัดแห่งอธิกรณาและอัดแห่งการกําหนดสภาวะอธิกรณาก็คือสมัยที่มีการเป็นอัดและมีการประชุมเป็นอัดเพราะว่าภาวะแห่งธรรมมีภาษาเป็นต้นท่านกําหนดโดยภาวะแห่งสมัยคือขณะ ความพร้อมเพียงและเหตุแห่งามธรรมมีภาษาเป็นต้นที่ตรัสในพิธรรมและในสุตตะบทอื่นๆเพราะว่าอัดส่องถึงอัดและท่านจึงแสดงนิเทศต่างๆด้วยความหมายตรงนี้สรุปอย่างนี้นะว่าในในพระพิธรรมเนี่ยท่านแสดงอีกอย่างหนึ่งท่านแสดงถึงเนื้อของสภาวะอย่างยกตัวอย่างเช่นอืยศสมิงสมยเยกามาวจรังรูปาวจรังเอออย่างนิเทศกัสัทธายตนะังคันดายตนะังราสายตนะังเนี่ย เป็นต้นอะไรเงี้ยการแสดงจะมีจุดที่แตกต่างกันอย่างนึ่งทีนี้ในความหมายตรงนั้นเน่ยเมื่อพิจารณาอัดกล่าวสมัยศัพท์ในปิดกอื่นด้วยคําสอนต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยที่ท่านแสดงอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระเจ้าทรง แ, แสดงพระสูตรนี้หรือพระสูตรอื่นตลอดถึงสมัยใดยสเสด็จประทับอยู่ได้ทําเป็นเครื่องอยู่ด้วยกรุณาตลอดถึงสมัยนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อความส่องความเพราะนั้นท่านจึงทํานิเทศด้วยทุติยาวิพัสในพระสูตรนี้ จึงไม่จึงได้พันธนากระทำท่านพิจรารณาอดนั้นนั่นกล่าวสมยศัพท์ในปิฎกอืน่นโดยสัตมีวิพัฒน์ด้วยตติยาวิพัฒน์แต่ในพระสุตตันตปิฎกนี้ท่านกล่าวด้วยทุติยาวิพัฒน์ด้วยประการอย่างนี้ท่านก็ให้เหตุผลไปประการต่อมาท่านก็แก้บทคําว่าพักขวาบอกว่าเอมโมเมสุตังเอกังสมัยยังแล้วก็พักขวาโอ้ยพักขวานี่ต้องไปดึงไหนไหนๆรู้ไหมตรงนี้ไม่กล่าวดีกว่าต้องไปดึงในคมภีร์วิสุธิมัก ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งคําว่าพักวานี่เป็นชื่อของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมพระผู้มีพระภาคนี้ทรงเป็นครูของสรรพสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในโดยคุณทั้งปวงเทียบกันโดยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนคุณไม่มีใครเกินพระพุทธเจา้าฉะนั้นพึงทราบว่าพักวานี่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวบอกว่าพักวาเป็นคําที่ประเสริฐสุดพักวาเป็นคําที่สูงสุดเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง แก่ความเคารพในฐานะเป็นครูฉะนั้นจึงมี น, น า, ามาว่าพระควาคำว่าพระจามไม่ใช่เป็นครูอย่างเดียวนะเขาเรียกบรมครูเป็นครูของครูอีกทีครูยิ่งกว่าครูเนี่พระผู้นิพพานนั้นทรงมีโชคหักกิเลสทรงประกอบด้วยพระธรรมพระธรรมเช่นสติปฐานสมมติปทานอิทิบาทอินทรีย์เนี่ยทรงครบธรรมทรงคายกิเลสเป็นเครื่องเป็นไปในภพทั้งหลายได้แล้วเช่นกิเลสที่จะเป็นไปในอบายภูมิในมนุษย์ในสวรรค์ในเทวภูมิเป็นต้นในพรมภูมิเป็นต้ น, น, เ น, ตนเนี่ย พระองค์คายเหมือนกิเลสเหล่านั้นน่นมาจากคำพักข่าวาว่าเวลาเราสวดว่าพักขาวาตีเป็นผู้มีความจําเริญจําแนกทําสั่งสอนศาตว์ดังนี้ก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เราเราแปล ก, กันได้แค่นี้ใช่ไหมพักข่าวาแปลได้อย่างเยอะมีโชคก็ได้หักกิเลสก็ได้ประกอบด้วยพักคธรรมก็ได้เช่นสติปัฐานสมปทานอิทิบาทอินทรียพระราพชง อ, งองค์มรรคมีอยู่ในพระพุทธเจ้าหมดเลย พบทำแล้วทรงคายกิเลสไปเลยราคาโทษาโมหานี้พระองคายเกลี้ยงหมดแล้วใช่ไหมกิเลสที่จะเป็นเหตุในไปในพบน้อยพบใหญ่ในพระองคายหมดแล้วงั่นโดยเนื้อความพิสดารก็ไปดูในพุทธานุสติอันนี้ไม่เอาแล้วเลยไปก็แล้วกันยาวได้สี่คำหมายแล้วเอวอมเมสุตังเอกังสมยังภะควะเอวังสัพหนึ่งเมสัพหนึ่งสุตังสับหนึ่งเอกังสับหนึ่งสมยังส่นภคะวะอูได้มาเยอะแล้ว ด้วยคําว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วท่านพระนร น, นเมื่อจะแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาชื่อว่าย่อมทําพระธรรมกายของพระผู้มีพระภาคโดยให้ประจักษ์ทำความเข้าใจคําว่าธรรมกายก่อนเดี๋ยวจะเพีย้ยนธรรมกายนี่พูดกันมากใช่ไหมคาว่าธรรมกายเนี่ยเป็นชื่อของโลกุตระธรรมเก้ามรซีผลซีนิพานหนึ่งนี่คือธรรมกายได้ตรงคือตรงนี้นฉะฉั้นถ้าเห็นธรรมกายคือเห็นโลกุตระธรรม มรคสี่ก็มีโสดาปติมรคสกาธาคามีมรคอน า, าคามีมาารคอรหธรรมมรคผลสี่ก็คือโสดาปติผลสกาธาคามีผลอน า, าคามีผลอาหารหัตผลแล้วก็นิพพานอีกหนึ่งนี่เขาเรียกว่าธรรมกายอันนี้เป็นกายของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าถ้าโดยอ้อมก็เอาปริยัติคือพระไตรปิฎกเข้าไปอีกหนึ่งนะก็เป็นพระสัตร์ถามสิทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถามว่าเรามีโอกาสจักเห็นพระพุทธเจ้าได้ไหมต้องบอกว่าได้ ถ้าเราได้บรรลุอริยมรรคอริยผลบรรลุพระนิพพานถ้าบรรลุพระนิพพานเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้เห็นหรืยังบอกว่ายังยังไม่เห็นในโอกาสหนึ่งจะต้องเห็นให้ได้นี่นฉะนั้นชื่อว่าย่อมทำรรบอกว่าท่านพระนนินบอกว่าเมื่อจะแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาชื่อว่าย่อมกระทัมธรรมกายของพระผู้มีพระภาคให้ประจักษ์ก็คือทำโลกุตรธรรมของพุทธเจ้าเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือคำสอนี่ย ท่านย่ะย่อมยังประชาชนผู้ ก, กังวลกเพราะไม่ได้เห็นพระาศาสดาให้เบาใจด้วยเลยคืออย่างนี้นะพระเจ้าบอกปาพศคือพระธรรมวินยัยธรรมกับวินัยเนี่ยมีาศาสดาล่วงไปแล้วหาไม่ได้หมายความว่าพระธรรมกายนี้เป็นาศาสดาของท่านทั้งหลายเหมายหมว่าธรรมกายในที่นี้หมายความว่าคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดที่เป็นส่วนของพระธรรมและก็เป็นส่วนของพระวินัยด้วยทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่า ที่ท่านพระอนนท์บอกว่าท่านพระนนมาเข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านพระอนนท์เพื่อจะแสดงธรรมที่ได้สดับมาชื่อว่าย่อม ท, มทำพระธรรมวินัยของพุทธเจ้ า, าให้ปรากฏเพื่อจะทําให้ประชาชนเกิดความเบาใจว่าตอนนี้พระศาสดาสเสด็จดับขันธบริณีผพานแล้วพวกเราไม่มีที่พึ่งแล้วพวกเราไม่มีที่ระลึกแล้วพวกเราไม่มีความหวังแล้วพวกเราไม่มีสารณาแล้วเนี่ยจบเลยนะเดี๋ยวประชาชนหรือพุทธบริษัททั้งหลายจักหนักใจเลย เพระศาสดาสเสด็จดับขันทบริณิพานแล้วเนี่ยบางคนยังเคยพูดอยู่ใช่ไหมโอ้ตอนนี้พระเจ้าบริณิพานแล้วเราไม่ได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยแท้ที่จริงท่านพระอนุนบอกว่าปาโพธคือทําวินัยเนี่ยถ้าธรรมกายนี้เป็นศาสดาของท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าถ้าพระบรมศาสดาสเสด็จดับขันทบรินิพานแล้วเนี่ยท่านพระอนุนบอกว่าอืออะไรพุทธบริษัทจะเคารพใครเป็นศรรนาสดาพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนอานุ น, นทำและ ว, วินัยที่เราแสดงแล้วเปิดเผยแล้ว ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นธรรมกายจักเป็นศาสดาใช่ไหมธรรมกายนี้จักเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราฉะนั้นพระธรรมคาสอนปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าจึงประทับอยู่โดยฐานะเป็นธรรมและวินัยเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมกายแต่ไม่ใช่ธรรมกายอีกอย่างหนึ่งนี่ธรรมกายแบบนี้ฉะั้นพอพูดเรื่องธรรมกายเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าคุณเข้าใจธรรมกายได้ถูกต้องไหยถ้าเข้าใจธรรมกายถูกต้องนั้นคุณก็ บางคนเหมือนกับคําว่าชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอริย์ใช่ไหมชื่อว่าอริยะเนี่ยแต่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอันนี้ไม่เข้าใจคําว่าอริยะเขราะอะไงเนยพราะอริยะเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐบุคคลที่ไม่ทําบาปนอติบาตเป็นต้นแล้วถึงจะชื่อว่าอริยะจึงจะมีนามว่าอริย์แต่คนชื่อว่ามีแล้วจนทําไงคนชื่อรวยแต่จนมีไหแล้วบอกว่าจนจริงอริยทรัพย์ภายนอกแต่ไม่จนอริย์ทรัพย์อันี่ชื่อว่ารวยถูกใช่ไยมจ๊ะ ใช่ไหมซับคือศรัทธาทรัพย์คือศีลรัพย์คือสุตตาก็ว่าไปอริยรับคือ ส, อสติปัฏฐ า, า, า, านสี่เนี่ยเป็นทรัพย์ของพุทธเจ้านะใช่ไหมถ้าเรามีทรับเหล่าเนี้ยไม่เรียกว่าจนก็น่ะสุปปาพุทธกุฏิขอทานก็คนเขาไปตาหนิว่าแกเป็นคนขอทานเป็นคนยากจนแกบอกวู้ยไปว่าแกไม่ไ ด, นนด้แกเป็นคนรวยที่สุดแกเป็นคนรวยเพราะแกมีอริยรพัพยบงั้นที่นั่งกันอยู่นี้แสดงว่ายังจนกันอยู่หมดเลยยังไม่มีใครรวยเลยเ <laughs> พราะยังไม่ได้อริยรัพย์แบบสมบูรณ์ใช่ไหม เดี๋ยต้องเก็บอริยทรัพย์แล้วจะได้รวยจริงๆอันนั้นรวยแบบสมมุตินะถ้ามีทรัพย์ภายนอกเขาเรียกรวยแบบสมมุติถ้าอริยทรัพย์นี่รวยจริงๆเพราะทรัพย์เหล่านี้ทําให้ไม่ตกนรกไงเจอมั้ยเอ้าอย่างสมมติเรามีทรัพย์ภายนอกเนี่ยมีทรัพย์ภายนอกพอตายปุ๊บหมดสภาพแล้วจนได้ไหมไปเกิดเป็นคนจนอีกก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ไม่รวยจริงก็รวยจริงแต่อริยทรัพย์ไม่จนเลยไปเกิดพบไหนก็ไม่จนเจ่มั้ย ทรับภายนอกเนี่ยมันไม่ค่อยแน่บางทีเราจากมันมันจากเราเนเรื่องปกติบางทีทั้งๆ ท, ท, ที่มีอยู่แต่ก็ไม่ได้ครองอสมมติว่ามีอยที่เยอะแย ะ, ยะหมดใช่ไหมแต่เราได้อยู่แค่ตรงเนี้ย ท, ที่สักหนึ่งงานแค่นั้นที่อยู่จริงจริงนอกนะั้นไม่รู้ใครอยู่ก็ไม่รู้อันนี้เรื่องจริงเป็นอย่างจริงจริงก็เดิมากก็ยังเสื้อผ้าร้อยตัวก็ใส่ได้ทีละตัวไม่เห็นใส่ได้ทีละร้อยตัวรองเท้าพันคู่ใส่ได้ทีละคู่รถร้อยคันขับได้ทีละคัน นี่เป็นอย่างนี้แหละต้มบัตรอย่างนี้ไอส้ส่วนส่วนส่วนเกี่ยวกับในเรื่องของอริยศาสตร์เนี่ยมีอยู่ตลอดตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าย่อมประกาศพระธรรมกายนี้เป็นาศาสดาของท่านทั้งหลายดังนี้นั้นคำว่าสมัยหนึ่งพระพุทิภาคเจ้าเนี่ยท่านพระนนเมื่อชงแสดงว่าพระพุทิภาคเจ้าได้อยู่ในสมัยนั้นชื่อว่าย่อมประกาศการเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งรู ป, ปากายก็หมายความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยโดยโดยรู ป, ปรกายของพระองค์นั้นเนี่ยป ร, รินิพานไปแล้วโดวยรู ป, ปรกายแต่ถ้าธรำรกายที่ยังยังไม่ป ร, รินิพานคือคําสอนของพระเจ้ายัางอยู่ น, นั่นเองนะคําสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าหากว่าพระบรมศาเรลิกธาตุของพระเจ้าเนี่ยอีกสองพันกว่าปี่ยประมาณสองพันกว่าปีนิดหน่อยก็จกประปรินิพานคําสอนพระเจ้าก็จะหมดตรงนั้นนั่นะแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ก็คนมีบุญทั้งหลายเขาก็ได้ได้ได้ได ได้อัธรสดได้รรมรสดของคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคนมีอริยทรัพย์เนี่ยก็เก็บทรพัพย์พระเจ้าไปเรื่อยๆศรัท ธ, ธาบั่งทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือหิริโอตตะปาทรัพย์คือจาคาทรัพย์คือปัญญาก็คนคนมีบุญทั้งหลายเขาก็ได้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคนว่าสาวกเนี่ยหรือว่าเป็นธรรมทานญาติญาติโดยธรรมของพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกเป็นญาติของพระพุทธเจ้าโดยธรรมก็ได้รับมรดก จากพระพุทธเจ้าถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นทายาทของพุทธเจ้าเป็นอมิสตายาทก็เก็บอมิตรไปเก็บอมิตรก็ได้อมิตรถ้าเป็นพระก็ได้จีวรได้บาตรได้ที่อยู่อาศัยได้เสนาสนะดีๆได้พัดลมได้เลยต่างๆเนี่ยอันนี้พระเจ้าได้อมิตสทายาทแต่ไม่เป็นธรรมบทยาติคุณธรรมคือสติปัฏฐานสัมมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พระพวชงองค์มรกไม่ได้เลยได้แต่ออมิตรเนี่ย สินจ้างได้ข้าวกินไปวันวันวันวันได้สุขสบายไปวันวันได้มีพัดลมได้มีแะไรต่างๆเราเนี้ยอันนี้ไม่ใช่สาระไม่มีประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกโอ้เธอไม่ได้เป็นธรรมทายาทคือว่าเธอถ้าโดยตรงก็ไม่ได้ไม่ได้มรดกถูกตัดขาดจากมรดกของพระพุทธเจ้าซะแล้วน่าคิดเหมือนกันนะนื่องนั้นบอกว่าเป็นธรรมทายาทที่จะได้มรดกแล้วก็เป็นทายาทโดยธรรมาาดดพระเจ้ามีมรดกเยอะใช่ไหมเยอะแยะหมดเลย โลกุตลาทำเก้าของพระเจ้าที่พระองค์นั้ น, ะ น, ะนะคือมรดกแต่ว่าบางคนที่เป็นพุทธบริษัทแต่บางคนก็ได้นั้นได้มรดกบางคนก็ไม่ได้มรดกก็เหมือนคนบางคนมีมรดกมากใช่ไหมก็มีสามารถจะให้ใครก็ได้เขาก็ต้องพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้มรดกหรือเปล่าเขาอันนี้พระพุทธเจ้าบอกคุณสมบัติเขาไว้นะว่าถ้าปรารถนาจากได้มรดกของตถาคตก็ก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้เป็นต้น ด้วยคำนั้นว่าท่านพระนนย่อมยังประชาชนผู้มัวเมาในชีวิตให้สลดและอุตสาหะในพระสัตธรรมคือพระสัตธรรมศิ ป, ปการนี่นะคือปริยะติสัตธรรมปฏิัติสัตธรรมปฏิเวทสัตธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทั้งหลายว่าแม้พมระพออผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระวรากายเสมอด้วยคทาเพชรหรือเป็นกายเพชรนะ่ยทรงไว้ซึ่งกําลังศิ ป, ปการคือทศพลยานศิทรงแสดงอริยธรรมชื่อว่าอย่างนี้ยังเสด็จดับขันธปรินิพาน คือท่านปานนมกล่าวตรงนี้บอกว่าโอ้เนี่ยแม่ผู้ผู้ยิ่ภาคเจ้าเสด็จดับขันพรินิพพานเนื่อต้องการให้รู้ว่าขนาดพระพุทธเจ้านะสร้างกุศลกรรมมาอย่างดีนะเช่นว่ามาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยกุศลอย่างแข็งแรงนะสั่งสมบุญกุศลมาเสียสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนกลับนะที่มารวมมาเป็นพระวรากายเป็นรูปวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามองว่าเหมือนบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ย ที่โอ้โหวัสดุอุปกรณ์นี่อย่างดีเลยอะเอามาทำนะี่อย่างดีเกีย่ยมแข็งแรงเลยวย่างั้นเถอะขนาดดีที่สุดแข็งแรงที่สุดแต่ก็ผุพังไปตามกาลเวลาเมื่อชั้นใดพระรู ป, ปากายของพระเจ้ายังเสด็จดับขันธ์เทวนิพพานคนอื่นใครเล่าจะพึงยังความหวังในชีวิตให้เกิดขึ้นได้แล้ว อ, อย่างเราเนี่ที่บุญน้อยๆทั้งหลายนี่ใช่ไหมถ้าเทียบกันกับบุญกับพระเจ้าเนี่ต่างกันริบโลกเนี่ยโอ้โหเรามัวมัวเมาในชีวิตไม่ได้แล้ว นันท่านพานนท์กล่าวตรงนี้เพื่อต้องการให้พุทธบริษัทนั้นยังความสลดให้เกิดขึ้นจกได้มุ่งในการเจริญกุศลให้ต่อเนื่องในการที่บำเพ็ญเจริญกุศลธรรมท่านพานนท์เมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าย่อมแสดงซึ่งเทศนาสมบัติเรียกว่าให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมด้วยการที่จับฟังเมื่อกล่าว ว, like ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาชื่อว่าย่อมแสดงส า, ากสวกสมบัติเมื่อกล่าวว่าสมัยหนึ่งชื่อว่าแสดงกาและสมบัติเมื่อกล่าวว like มม่พาพระผู้มีภาคชื่อว่าแสดงเ ท, ทสะกะสมบัติ หมายความว่าท่านพระ น, นั้นกล่าวว่าถ้าแสดงบอกว่าย่อมแสดงซึ่งเทศนาสมบัติที่กล่าวว่าอย่างนี้ได้สดับมาสาวกสมบัติโดยหมายของแสดงความคุณธรรมความเป็นภาษาสาวกได้สดับมานี่เนียถ้ากล่าวว่าสมัยหนึ่งเป็นการสมัยสมัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในสมัยเมื่อกล่าวบอกว่าพระผู้มีพรคเป็นการแสดงเทศกาสมบัติสมบัติโดยฐานะเป็นพระผู้มีพระคือ ส่วนอีกความหมายหนึ่งที่สวดกันบอกว่าอันตราเนี่ยอันตราจราชกหังอันตราจนารันทังเป็นไปในเนื้อความเหตุขนาดจิตท่ามกลางและระหว่างเป็นต้นแต่ในที่นี้หมายถึงระหว่างนะหมายถึงระหว่างระหว่างกรุงราชคลึกกับนารันทากรุงราชคลึกกับนารันทาแล้วไปกันมาหมดแล้วใช่ไหมนารันทาก็ไปมาแล้วกรุงราชคลึกก็ไปมาแล้วนั่นแหละตอนนั้นเราพุทธเจ้าเสด็จประทับระหว่างกรุงราชคลึกกับนารันทาง ในระหว่างกรุงราชจะขึ้นและนาลันทาแต่เพราะท่านประกอบด้วยอันตราศพเนี่ยท่านจึงเป็นทุติยาวิพัฒตรนั้นนั่นก็ลักหนังอักษรก็ว่ากันไปก็แปลว่าพุทธเจ้านั้นประทับในระหว่างอัฐานามัคคะปฏิปันโนโหติอัคขานะมัคคะก็ดําเนินสู่ทางไกลอัฐานะเนี่ยอัฐานแปลว่าทางไกลมัคคะเนี่ยแปลว่าทางอัฐานะแปลว่าไกลมัคคะเนี่ยแปลว่าทางอธิบายว่าทางยาวนั่นเองทางยาวก็วคือทางไกล ถ้าทางมันสั้นนี่แปลว่าใกล้ใช่ไหมถ้ายาวแปลว่าไกลสั้นแปลว่าไกลเขาบอกว่าจากกรุงเทพมาสุพรรณนี่ไกลไหมเราบอกว่าโอ้ ย, ยาวอันเดียวกันนะโอ้ทางนี้ยาวมากก็แปลว่าไกลแต่ยาวมากๆเลยก็ต้องไกลกว่า น, นี้หน่อยทางไกลโดยพระบาลีวิพังห์แห่งสมัยเดินทางเราจากเดินทางกึ่งโยอจากกรุงราชคลึ้ถึงนาลันทาประมาณโยอดหนึ่งเนยยอหนึ่งก็ประมาณสิบหกิโลเมตรแต่ปัจจุบันนี้จากนาลันทากรุงราชคลึ้นี้ ไม่รู้ห่างกันประมาณเท่าไหร่สมัยก่อนนั้นอถ้าเดินลัดตัดตรงก็มาน่าจะประมาณสิบหกยี่สิกิโลเมตรนะประมาณนั้นใหญ่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ใหญ่โดยคุณใหญ่โดยคุ ณ, คณทั้งโดยจํานวนด้วยบอกภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ใหญ่มีใหญ่สองอย่างนะคุณธรรมด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติยะวิมุตติญาณทัศนคุณใหญ่และโดยจํานวนด้วยนั้นคําว่าใหญ่่ ได้สองความหมายที่ท่านให้ไว้มีความเป็นผู้ปราถนาน้อยเป็นต้นเอ้ยพระที่มีคุณธรรมเนี่ยก็ถึงได้มากก็ปราถนาน้อยพระเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าพระองค์ใดได้น้อยแต่ปราถนามากเขาเรียกปรารถนาลามกเนยพูดหนักกันนะว่าพระเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าโยมหรือเปล่าแต่ก็ว่าพระพู้ได้เจ้าอย่างว่าคือผู้เจ้าจะบอกว่าพระต้องต้องมีต้องมักน้อยห้ามมักมากให้มักน้อย ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาน้อยไม่ลบลู่คุณท่านสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยมีจำนวนห้าร้อยหมู่ภิกษุทั้งหลายชื่อว่าภิกษุสงฆ์ด้วยภิกษุสงฆ์อธิบายหมู่คณะเนี่ยหมู่ของสมณะเป็นพวกที่มีเสมอด้วยศีลและทิฏฐิคือภิกษุเหล่านั้นล้วนแต่ศีลรสายปัญญตาทิฏฐิสามัญาตาเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองภิกษุ ป, ประมาณห้า้ยเนี่ยเพราะเหตุนั้นภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าประมาณห้าร้อยคาว่าประมาณเนี่ยไม่ใา่คําว่ามัตตะเช่น โภชเนมัตตันยุตารู้จักประมาณประมาณเนี่ยมาจากศัพท์ว่ามัตตานะประมาณห้าร้อยรู้จักประมาณก็เหมือนกันเหมือนกับการรู้จักประมาณในการบริโภคประมาณห้าร้อยก็ในลักษณะอย่างนั้นสปิยาปริภาชกเนะี่ยเป็นชื่อของปริภาชกแล้วก็พรหมตะมาโนเป็นชื่อของลูกศิษย์อันเตวาสีกแ็แปลว่าอยู่ภายในฉะนั้นโคมาธานะเป็นชื่อของศิษย์ในสองท่านเนี่ยที่บอกว่ า, วาลูกศิษย์กับอาจารย์นั่นเองที่ท่านว่าสุปปริ สุปิยปรลิภาชคนี่กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนว่าธรรมตีเตียนว่าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระภู้เปภาคเจ้าผู้เว้นจากโทษอันไม่ควรสรรเสริญผู้ประกอบด้วยคุณที่ควรสรรเสริญหาประมาณไม่ได้อย่างนั้นด้วยการกล่าวเหตุอันไม่สมควรนั่นแหละเป็นเหตุอย่างนี้ว่าสมนาโคดมเป็นคนไม่มีรถเวลาทาหนีพระพุทธเจ้าเนี่ยสุปิยปรลิภาโชคในําหนีแรงนะเป็นคนไม่มีรถเพราะเหตุที่สมนาโคคมไม่มีการกระทําสามีจิตการมมีการกาดไหวเป็นต้น อันควรทําโดยโดยโดยในผู้ใหญ่โดยชาติในโลกที่เรียกว่าสามะคีรถเขาบอกว่าเออเวลาก็ตําหนีพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าไม่ยกมือไหว้ใครใช่ไหมพอไม่ไหว้ใครเนี่ยโอโ้โหคนไม่มีไม่มีสามะคีอ่ะไปถือโดยว่างแบบั้น่แท้จริงเกิดเป็นลูกอย่างเงี้ยก็น่าจะไหวพ้พ่อใช่ไหมเขาก็ตําหนีพุทธเจ้าไอ้เขามีเขาเขาคิดอย่างบุตุชนก็น่าจะคิดตําหนีใช่ไหมคนในยุคนั้น จเจอพ่อก็ไม่ไวาเจอพระราชาก็ไม่ไวาเจอคนสูงอายุก็ไม่ไวาบางทีคนอายุกแก่ตั้งร้อยหกสิบปีมาหาพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้ากับไม่ยกมือไหวออ้ดูว่าก่อนท่านประสงค์จะนั่งก็นั่งเลยก็ว่าไปใช่ไหมเชิญให้นั่งกแ็แค่ตรงนั้นเองน้าจะยกมือไหว้นะาจะลุกขึ้นต้อนรับอะไรเงี้ยไม่ทำํำก อ, อไม่มีรถจริงๆวะระ้าก็ตําหนีพระเจ้าอย่างนี้แล้วก็สัมนาคโคดมเป็นคนไม่มีโพคะไม่มีโพคะก็คือไม่มีสมบัตินะ่ มีสมบัติอยู่ดีๆก็ทิ้งให้คนอื่นหมดแล้วก็ออกมาเงี้ยเป็น ค, คนไม่มีโพคางันยิ่งใช่ไหมในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็สมนาโคดมกล่าวความขาดศูนย์ขาดศูนย์แล้วก็เป็นคนเกียรติชังเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนตะบะจัดเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดสมนาโคดมไม่มีธรรมอันยิ่งโดยมนุษย์ซึ่งเป็นญาณทัศนาอันวิเศษแก่พระริยเจ้าสมนาโคดมแสดงธรรมที่ตึกเองที่ตรองเองที่รู้เองสมณะโคดมไม่ใช่สัพพัญยู ไม่ใช่โลกละวิทูไม่ใช่คนยอบเยี่ยมไม่ใช่อัคระบุคลกล่าวเหตุอันไม่สมควรนั้นนั่นแล้วเป็นเหตุกล่าวโทษแห่งแม้พระธรรมเหมือนว่ากล่าวโทษของพระเจ้าโดยประการนั้นนั้นว่าพระสมณโคดมกล่าวไว้ชั่วรู้ได้ยากไม่เป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบกล่าวเหตุอันไม่สมควรไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเองเป็นเหตุกล่าวโทษของพระสงฆ์เหมือนอย่างพระธรรมเป็นต้นเหมือนกันคือสุภยะปริภาชกเนี่ยกาวตําหนิพระเจ้าโดยอเนกดังที่กล่าวเนี่ย อีกสาบหนึงนะว่าพระเจ้าแรงนะว่าเป็นคนไม่ผุดไม่เกิดคือสุพิยะบริภาชกกล่าวถูกแต่สุพิยะบริภาชกเนี่ยทำใจไม่ถูกถ้าว่าบอกไม่ผุดไม่เกิดที่กล่าวเนะี่ยถูกนะแต่ท่านสุพิยะปริภาชกกล่าวด้วยจิตที่เป็นโทสะถ้ากล่าวด้วยจิตที่เป็นกุศลนะ่ยเป็นไม่เช่ไม่ใช่ด่านะเนี่ยเป็นคําสรรเสริญหมดเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแท้จริงนะพระเจ้าจะทวงตอบบอกอ ท, ที่สุพิยาบริบาชก่าวนะคือไม่ใช่ด่าเลยแท้จริงคือสรรเสริญต่ถาคตแต่เธอวางใจผิดไปหน่อย <c oughs> ถ้ามีใครมาด่าเราอย่างนั้นเนี่ยเราเราเราลองเราย้อนถามก็อย่างนีดีมั้สมมติเขาจะว่าเราเสียหายใช่ไหมยกอย่างขอโทษขอไปว่าฉีบหายสมมตินะแล้วบอกอ๋อขอบใจนะที่ให้พร เราก็อยากจะให้อกุศลและทมันออกไปจากกายไม่อยากให้มันเกิดกระจายของเราอยากให้มันจีบหายไปอ ย, อย่างสมมติอย่างนี้เรียว่ายังไงเราก็ขอบใจก็หมดเลยบอกผมกไม่รู้จะด่างไงฝ่ายพรหมทัตตานี่นะก็กล่าวสารเสริญพระพุทธเจ้าผุดคิดโดยอุบายอันแยบคายอย่างเมื่ออาจารย์ของพวกเราแตะต้องสิ่งที่ไม่ควรแต่ต้องเหยียบสิ่งที่ไม่ควรเหยียบเหยียบอาจารย์ของเรานี่กล่าวตีเตียนพระรันาตนตรัยสิ่งที่ควรสารเสริญเท่า น, นั้น อยากถึงความพินาศย่อยยาเป็นคนกลืนไปเป็นคนเอามือรูปคมดา่าเป็นคนเอากำปั้นทำลายภูเขาสีเลือกเหมือนคนเล่นอยู่กับแถวซี่ฟันเลือ่อยว่างั้นเหมือนเอามือไปเล่นอยู่ที่เขากาลังเลื่อยเอามือไปรองที่เขาเลื่อยไม้อยู่งั้นเนหะมือนอย่างงั้นหรือเหมือนคนเอามือไปจับช้างซับมันที่ดูร้าย ก็เมื่ออาจารย์เหยียบคูดเหยียบไฟเหยียบน้ําหรืองูเห่าก็ดีขึ้นทับหลาก็ดีเคี้ยวกินยาพิษอันร้ายแรงก็ดีกลืนกินน้ํากรดก็ดีเนี่ยตกเขียวลึกก็ดีเนะี่ยไม่ใช่สิทธิ์จะต้องทำตามนั้นเบสเซททุกอยาก่างละสิทธิ์ก็คิดได้เงี้ยนะเห็นไหมสิทธิ์กาคิดได้ว่าเอ อ, อถ้าเราคิดได้อย่างพรห ม, มทัตตะก็ดีเหมือนกันนะคิดแบบเนี้ยสมมุติว่าเราไปไปเคารพนับถือใครเนะี่ยเออเราเห็นเขาทาไม่ถูกเนะีเออ่ยพอทําไม่ถูกเบสเ็จเนี่ยเราไม่บางคนนี่ เออถ้าคนคนนี้เราเคารพนับถือทําไม่ถูกะทําตามนี่เสียนะใช่ไหมเราเสียใช่ไหมใชะนี้ใหม่เลยเนี่ยพระมุท่าตาบอกว่าไม่เอาแล้วพอบอกว่าเอออาจารย์ของตนเองเนี่ยกระทําสิ่งที่ไม่ควรเออเหมือนเอามือไปรูปคมดาบมันมันมันมันหวาดมันหวาดเสียวใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องไปรูปตาม เ, เหมือนเอากำปั้นไปทําลายภูเขาสินเยรูโหไม่เรื่องกกำปั้นหักก่อนไม่ใช่ภูเขาสินเยลูเนี่ยแค่ต้นไม้เล็กนี่ก็เสียหายอยู่แล้ว เหมือนอาจารย์เหยียบคูดหรือเหยียบไฟเหยียบน้ำงูเห่าเนี่ยขึ้นทับเหลาเหล็กเนี่ยเคี้ยวกินยาพิษไลยแรงกืนกินน้ำกรดตกเหวลึกเนี่ยไม่ใช่สิจะต้องทำตามทุกอย่างด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายนีย่มีกรรมเป็นของคนตนย่อมไปสู่กติควรแก่กรรมของตนแน่นอนไม่ใช่บิดาจะไปด้วยกรรมของบุตรไม่ใช่บุตรจะไปได้ของกรรมบิดาไม่ใช่ มารดาจะไปด้วยกรรมของบุตรไม่ใช่บุตรจะไปด้วยกรรมของมารดาไม่ใช่พี่ชายจะไปด้วยกรรมของน้องสาวไม่ใช่น้องสาวจะไปด้วยกรรมของพี่ชายไม่ใช่อาจารย์จะไปด้วยกรรมของศิษย์ไม่ใช่ศิษย์จะไปด้วยกรรมของอาจารย์อาจารย์กล่าวตีเตียนพระรัตนตรัยด่าพระเลียเจ้ามีโทษมากจริงๆนี้เมื่อจะย่ํำยีวาทาของอาจารย์อ้างเหตุผลเหมาะควรเริ่มด้วยการสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นอนเ็กเลยสรรเลยย้อนเลยแยกกันเลยอาจารย์ติเตียนพระรัตนตรัยแต่ลูกศิษย์สรรเสริญพระรัตนตรัยนี่เป็นอย่างนี้เลยถ้าพูดถึงในเรื่องกรรมเนี่ย ถ้าถ้าพ่อทํากรรมชั่วเราต้องตกนรกตามพ่อด้วยเห็นไหมคนละเรื่องกันเนี่ยนี่คนละเรื่องกันบางคนไปโทษเลยโอ๊้ที่เราเสียเสียหายอย่างนี้เพราะพ่อทำไม่ดีนี่เสียเลยใช่ไหเนี่ยเป็นเพราะพ่อทํากรรมไม่ดีก็ไว้เราพลอยเราเลยจนไปเลยว่างั้นเนี่ยบางคนด่าพ่อคือตนเองเกิดในตระกูลคนจนใช่ไหมยากจนนี่ต่างทํายังไงก็ไม่รวยสักทีก็ไปด่าพ่อ เป็นบ่พอ่อเนี่แหละไม่หาสมบัติให้เขาไว้เลยเขาต้องลําบากอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็บอกทราบสมบัติที่เขาได้มาเนี่ยเขาไม่เคยได้อย่างพ่อเลยก็ได้ด้วยทวงเขาเองเวกพอ่อสักดิเป็นพอ่อเขาแค่นั้นแล้วก็ว่างั้นมีจริงๆรนะที่พูดในลักษณะนี้คือตาหนิพ อ, องนนั้นเองอันนั้นก็เป็นเป็นโทษวันณศัพท์ปรากฏโดยสันฐานชาติรูปายตนะการะเป็นต้นเหล่านี้เนะี่ยตรงนี้ก็คือในความหมายตรงนี้ก็จะข้ามข้ามไปเ่ากันจะ ด, ดูว่าได้ยินมาว่าตรงนี้ดีกว่าเนี่ย กล่าวด้วยคุณดีกว่าวันณะที่แปลว่าคุณพระมทัาตามานพได้อ้างเหตุที่เป็นจริงนั้นก็กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยอนเนกปริยายในข้อนั้นพึงทราบคุณของพระพุทธเจ้าโดยอนเนกแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลอันเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกไม่มีผู้เสมอสมกับเป็นผู้ไม่มีผู้เสมอผู้เกิดขึ้นมาย่อมเกิดขึ้้นนนในโลกี แล้วก็คุณของพระธรรมก็ที่เราสวดสรรเสริญกันเนี่ยนะสว่าขาโตเป็นต้นพระกวตาธรรมโอ้ น, นี่ก็สรรเสริญที่เรากล่าวคุณของพุทธเจา้าคุณของพระธรรมคือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมเนี่ยถอนอะไรเนียถอนอะไรตัดวะตะชนเหล่าใดเลื่อมใสในอริยามรรคมีองค์8ดชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมมันเลยคําว่าคนที่เลื่อมใสในมรรคมีองค์8ดนี่คือเลื่อมใสยังไง ร, รู้ไหมคําว่าเลื่อมใสในที่นั้นนะ เลื่อมใสแปลว่าเขาน้อมที่จะทําอริยมรรคนั้นให้เกิดขึ้นในกระแสจิตของตนเองคือจะน้อมที่จะทําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวาสัมมาวายา ม, าสามาสัสัมมาสติสัมมาสมาที่ให้เกิดขึ้นในใจนี่ก็ชื่อว่าเลื่อมใสถ้าเราบอกว่าอุ้ยเนี่ยพระอะไรเราก็กราบพระธรรมทุกวันใช่ไหมพุทธังสะระณังกชามิเรากราบพระพุทธเจ้าบอกทำมังสะระณังกชามิเข้าไเจ้าเลื่อมใสพระพูดเข้าไเจ้าเลื่อมใสพระธรรมพระบอกเลื่อมใสพระธรรม แต่ก็กราบเสร็จก็เฉยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่อมสนีถ้าเลื่อมสเนี่ยก็แปลว่าขวนขวายเพียรพยายามในการที่จะทํามรคมีองแปดทัานเกิดขึ้นในใจทําให้ตัวเองนั้นเข้าถึงอริยามรคมีองค์8ให้ได้นี่ก็เรียกว่าเรื่อมสถ้าอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเริ่มมสายพระพุทธเจ้ากับในญาติเดียวกันประกาศคุณของพระสงฆ์ก็คือว่าสุปฏิบันโนพระกว่โตสาวกสังโฆเป็นต้นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติได้แล้วดูกนภิกษุทั้งหลายชืยเราได้เลื่อมสในพระสงฆ์ ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลอันเลิศ ก, ก็คุณของพระสงฆ์เป็นต้นนั้นพระธรรมกถึกผู้สามารถถึงประมวลรวังขา้าตัสาาสัตว์ในนิกายทั้ง5เข้าสู่พระธรมรมะขันธ์แปดหมพันพระธรมรมขันธ์ประกาศคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพรหมตตาตามนโนเมื่อประกาศคุณของพุทธเจ้าเป็นต้นในฐานะนี้ใครๆไม่อาจจะกล่าวว่าเป็นธรรมกถึกแล่นไปผิดท่าและพึงทราบว่ากําลังความสามารถของธรรมถึงในฐานะเช่นนี้ ส่วนพรหมตัตะมานบเนี่ยนะกล่าวสรรเสริญพระธนาตาใจโดยกําลังความสามารถข้นตรงซึ่งเพิ่มพูนขึ้ น, นเพียงข่าวที่ฟังมาเป็นต้นก็บอกว่าอจริงๆเนี่ยคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีเยอะมีมากแต่พรหมตัตะามานบกล่าวนะั้นน่ยกล่าวนิดหน่อยคงเหมือนพวกเรากล่าวนะคล้ายๆกันนะั่นคือคุณของพระเจ้าเยอะไปหมดแต่เรากล่วกาวแบบประเภทที่เออเวลาเวลาเราสวดจเจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังคุณนะ ในขณะที่สวดเนี่ยทุกศัพท์ทุกพยันชนะนี่เราแจ้งด้วยใจหมดเลยยกตัวอย่างเช่นอิติปิโสพระคาวาแค่นี้แล้วก็โอ้โหชัดเลยนี่ความหมายก็ลึกซึ้งโดยอัดด้วยลึกซึ้งโดยธรรมะด้วยลึกซึ้งโดยพระธรรมเทศนาที่พระเจ้าสอนด้ว ย, ย, รรวยตามว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะพวกเราเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นเราเราเข้าใจเพียงเล็กๆลน้อยน้อยเท่านั้นนี่ฉะนั้น อ, อาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีวาทะเป็นข้าศึกแก่กัน ก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงกันมีว่าถ้าผิดแผดกต่างกันนะอาจารย์กล่าวตีเตียนสิทธิกระชมพระรัตนตรยตัยดังที่ได้กล่าวแล้วก็ติดตามไปข้างหลังของพระผู้มีภาคเจ้าถามว่าเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเดินทางไกลเพราะเหตุว่าสุปริยะปริภาชกติดตามไปและเพราะเหตุอะไรเขาจึงตีเตียนพระรัตนตระเริ่มแรกพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ณมหาวิหารแห่งหนึ่งในบรรดาม18แห่งที่เลียงลายอยู่รอบกรุงราชคลื่นในการนั้นเวลาเช้าตู่ก็ปฏิบัติพุทธศีลละ แล้วก็ถึงเวลาพิคขาจารย์ภิกษุสงฆ์ก็แวดล้อมเดินบินทบาตทในกรุงราชคลึในวันนั้นนะพระ อ, องค์ทําให้ภิกษุสงฆ์หาบินทบาทได้ง่าย น, นี่เวลาหลังจากพัทหารเสร็จกลับจากบินทบาทแล้วภิกษุสงฆ์รับบาดเจวรมีพุทธลัทธิตัดว่าจะไปเมืองนาลันทาถึงกงรุงราชคลึเเสดจาากกรรุงชเดินทางไกลในการนั้นนะ่ยสุปิยาบริพาชกก็อยู่ในอารามบริภาชกแห่งหนึ่งที่เรียงรายอยู่รอบกรุงราชคลึ ตอนนั้นก็มีปริพาชกแวดล้อมเที่ยวพิกขาจารในกรุงราชคลีเหมือนกันแต่วันนั้นนะสุพิยะปริพาชคก็ทําให้บริษัทและปริพาโชคหาพิกษาได้ง่ายบริโภคเช้าแล้วก็ให้พวกปริพาโชคนำบริกรับบริขารของปริพาชคกล่าวว่าจักไปเมืองนารันทาเหมือนกันไม่ทราบเลยว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางนั้นเชื่อติดตามไปแต่ทราบก็จะจะไม่ติดตามไปเขาบอกว่าสุพิยะปริพาชคไม่ทราบ เมื่อเดินไปเชงเงเนื้อคอเห็นดูก็เห็นพระพุทธเจ้างามด้วยพุทธสลิประหนึหัวยอดเขาทองเดินได้ที่แวดล้อมด้วยผ้ากำพลสีแดงในสมัยนั้นนะ่ะนะฉับพันรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรากายของพระทศพลคือพระพเจ้าเนี่ยงามอยู่แล้วใช่ไหมบุญคนมีบุญนะเน่ววนเวียนรอบเหนือที่ประมาณแปดสิบศอกคิดดูทีแล้สมีสว่างออกอย่างนั้นนะอย่างเราเห็นก็ศรัทธาใช่ไหม แต่คนเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นเนี่ยบอกหืมด้อยเราด้อยกว่าเขาเนี่ยอิจฉามันเป็นอย่างนี้ไนงะอย่างคนบางคนเห็นคนมีตังเนี่ยบางคนก็ชื่นชมแต่บางคนเขก็ตําหนีนะเห็นคนเขาเออสวยกว่ารวยกว่าดีกว่าอะไรเนี่ยบางคนก็ก็ชื่นชมแต่บางคนก็ทาหนีนี่เป็นการสุปริยช ป, ปริภาโชคนะ่ะเห็นพุทธฉาพันธ์รังสีเวียนรอบเหนือประมาณแปดสิบศอกเนี่ยนะ เกลื่อนกลนไปด้วยช่อรัตนะพวงรัตนาแล้วก็ผงรัตนาดังแผ่นทองที่วิจิตด้วยรัตนาแผ่ออกมาเนี่ยนะดังปราบพมด้วยน้ําทองสีแดงกล่ําดังเกลื่อนกลนเหมือนดุงดาวงามว่า ง, งั้นเหมือนหมูดาราที่ปนกันเนี่พระสรีละของพระพุ้ธภักภาครุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะแปดสิบเขาดังสา ท, ที่มีดอกบัวหลวงแล้วก็บัวขาบแย้ม ดังต้นปริภัชชปริชัดเนี่ยเป็งออกบานสะพั่งเหมือนจะเยอยเยยพื้นที่คำพรบนสวรรค์นเนี่ยนะประหนึ่งว่าแย้มด้วยพยับดาราด้วยพัสรีมาลัยเนี่ยแล้วก็พระลักษณะอันประเสริฐ32บประการของพระองค์งามวิราชมากมีรัศมีออกประมาณหนึ่งวาพระเจ้าเนี่ยเป็นปกติเลยเนะเวลาไปหน้าที่ไหนเนี่ยรัศมีก็อวยะออกไปวาง วเวลาเวลาลงสงน้ำในในแม่น้ําเนี่ยก็ปลาเนี่ยเวลาปลาวิ่งมาใกล้ๆประมาณวานหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยกลายเป็นสีทองไปเลยคือรัศมีจะเปล่งออกมาอย่างนั้นอันนี้นี่เป็นเป็นเรื่องที่ที่ความงามของพระพุทธเจ้าอันนี้จากครูวิญญาณของเราก็หมดโอกาสเห็นใช่ไหมนี่บุญไม่ดีถ้าบุญดีก็มีโอกาสได้เห็นแต่ปัจจุบันนี้เขามาทําเป็นภา พ, พยนต์เลยก็อย่างว่านี่นี้ของปลอมอ่ะที่ตาอ แต่ออของจริงไม่ได้มีโอกาสเทียนงันงามมากภิกูุทั้งหลายที่ยืนล้อมพระผู้วิภ า, าคเจ้านั้นนะทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คุก ค, คลีตักเตือนกันและเกียนกันแลก็ลกติเตียนบาปว่าว่ากล่าวกันพูดเต็มใจทำตาม ท, ทนคำสั่งสอนประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตตแล้วก็วิมุตติาณทัศนะคือเป็นบุคคลที่มีกระถาวัตถุ10 ป, ประการนนะีอยู่ในในข้อประพฤต ท่ากลางพิกษุนั้นพระพุท ธ, ธเจ้าก็เปรียบดังเสาทองล้อมด้วยกําแพงคือผ้ากําพลสีแดงทั้งเรือทองที่อยู่ท่ามกลางปฐุมทองดังกองอักขีที่วงด้วยด้วยไปที่แก้ประกาเนี่ยดังพระจันทร์เพนห้อมล้อมด้วยหมู่ดาวอย่างนั้นเด็กก็ในวันนั้นแล้วเนี่ยอสีติมหาเทราต่างก็ทรงผ้าบางังสุกุลสีสีเมฆเออตรงนี้ทําให้มองเห็นว่า พระในยุคก่อนเนี่ยภาษาวกของพระเจ้าเนี่ยห่มผ้าเหมือนสีของเมฆเมฆตอนไหนตอนตอนอารุณ์ขึ้นอย่างหนึ่งใช่ตอนอารุณ์ขึ้นมันจะออกเป็นสีทองทองนือสีทองทองหรือสีแดงแดงบางทีก็เป็นสีแดงแดงคืองามจะเป็นอย่างนั้นรากระวช้างตระกูลคันธวงศ์ที่ได้รับฝึกหัดเป็นอย่างดีปราะจะอยากโทษคายโทษแล้วทำลายกิเลสแล้วแล้วก็ตัดเครื่องผูก พากันห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็เป็นคู่ปราศจากราคะพระเจ้าในปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะและปราศจากโมหะเห็นไหมโอ้งามจริงนะหนึ่งผู้เป็นศาสดาก็ไม่มีราคะโทสะสาวกห้าร้อยลูกที่แวดล้อมก็ค้นหมดราคะหมดโทสะหมดโมหะ ซึ่งต่างกันกับพวกบริพาชกใช่ไหมเป็นผู้ที่ชุ่มไปด้วยราคาโทษาโมหะนี่ดูดูก็ ง, งามแต่เราดูพิจารณาอย่างนี้ก็ฉะนั้นอย่าแปลกใจนะว่าทำไมทาไมสุพียาบริพาชกจึงจึงโกรธส่วนพรมะมรัตตมานปก็สรรเสริญก็ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ว่าครั้งนั้นนะสุ ปริภาชคได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพุทธลีลานหาที่เปรียบไม่ได้เห็นภิกษุทั้งหลายมีจักษุทอดลงมีอินทรีย์สงบมีใจสงบกําลังถวายน้มาสการพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นดังดวงจันทร์เพนที่ลอยเด่นอยู่บางนภะากาศเช่นั้นก็เหลียวดูบริษัทของตนคื อ, รอปริพาชคก็เหลียวดูบริษัทของตนใช่ไหมที่บริษัทของตนเองนั่งมากไปด้วยการหาบริขารไม่ใช่น้อยพลงพลังเลยว่างั้นเถอะคือพระเนี่ยไปกันแบบสงบใช่ไหม มีบาทมีกรดดูงามสายตาทอดต่มงามมากแต่ที่พอดูพวกของตนเองเนี่ยมีต่างเล็กๆสามงามบาทดินมีแววมันหางนกดุงมีกระทอแล้วมีคนโทร น, น้ำเป็นต้นห้อยห้อยอยู่ที่ไม้คานหาพลุงพลังทั้งปากาก้าก่วาว่าจาหาประโยชน์ไม่ได้ด่ากันบ้างทะเลาะกันบ้างตบตีกันบ้างนี่มือของคนโน้น งามท่าของโน้นงามมีวาจาเพื่อเจอไม่น่าดูเจอใครเดินผ่านมาชมบ้างดา่าบ้างว่าอะไรปไม่น่าเลื่อมใสขั้นเห็นดังนั้นเขาเกิดวิปฏิสานสุพิยะบาลีพาโชคของหัวิปฏิสานมันคนเรื่องพวกเราอึกกระทึกคือโคมเลยใช่ไหมเดินกันไปตบหัวกันไปเล่นกันไปอะไรเงี้ยมีจริงๆรงนะบางคนเนี่ยเล่นสนุกสนานกันไปหยอกล้อเอาเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาหากระแทกกันบ้างเลยบ้างคือคือ คือพระไม่หาบของนั้นยังไม่พระใยสพายบาศแล้วก็มีกฎแค่นั้นแต่พวกปริพาชคจะแค้หาบมีตังมีหาบของอะไรต่างเพราะไปถึงที่ต่างๆต้องมีโต๊ะน้อ ย, ม, ยมีเตียงมีต่างมีอะไรเตรียมกันไว้เบ็เสร็จอย่างนี้ทีนี้ก็คือว่าก็วิปฏิสารเกิดเดือดร้อนใจในการนั้นควรที่เขาจะกล่าวสรรเสริญพุทธเจ้าแต่เพราะเหตุที่ปริพาชคนั้นลิษยาในพุทธเจ้า แม้ตลอดการเป็นนิดเพราะความเสื่อมเหงื่อลาบสกาละความเสื่อมเห่อพักพวกด้วยลาบสการาย่อมมันเกิดเก็ดเดรธีทั้งหลายเขาบอกว่าตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเกิดขึ้นโอ้ยลาบสการะของพวกเดรธีมากแต่พอพทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วโอโ้ยลําบากเลยแต่เนี้ยแล้ว พ, พทธเจ้านี่เหมือนกระแสงว่าทิศใช่ไหมแต่ตนเองเหมือนกระแสงหิงห้อยอย่างนีนึกเด้อ ม, มันวิปฏิสารเน่ยเดือดร้อนใจนะอะไรมันก็สู้ไม่ได้เนี่ยนะก็เดือดร้อนใจ ในเวลาที่อุปติสตาและโกริตาบวชในสำนักของสันชยัยพวกบริพาชกได้มีบริษัทมากแต่เมื่ออุปติสตาโกริตาลีกไปบริษัทของเขาก็พากันแตกแล้วก็แตกออกเป็นสองกลุ่มแล้วก็น้อยลงไปตามลําดับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ริษยาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เช่นีการกล่าวติการกล่าวชม ก, ก็ก็เป็นไปด้วยอาการที่ว่าสรุปตรงนี้ก็คือพ่อลาบสการาเป็นต้นนั่นเองอ ส่วนว่าส่วนลูกศิษย์นั้นมองดูบริษัทของตนเองพวกพ้องของตนเองแล้วก็โอ้โหไม่น่าจะสารเสริญเลยจริงๆอย่างนี้ท่านพระผู้วิภาคเจ้าเนี่ยนะที่บอกเตนะภาควาชาณตรปราปัสตาเป็นต้นเหนั้นก็กล่าวพระพุทธเจ้านั้นน่ะได้ทรงบาเพ็ญบารมี30ทัตทรงทําลายกิเลสทั้งปวงแล้วตัสรุนุตรสา ม, มาสัมโพธิญาณพระผู้วิภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบอาสัยอนุสัยของเหล่าสัตว์นั้นนั้นแล้วก็เห็นใหญ่ใหญ่ททั้งปวงดุดมาขามป้อมที่วางไว้บนฝ่าพระหัต ทรงทราบโดยพยานมีปุเพนิวาสานุสติยานจุตูป ป, ปาตยานและอาสวัคยายานเป็นต้นทรงมีทิปจักสุแล้วก็ประกอบด้วยวิชาสามมีอภิน ญ, ญาหกเห็นด้วยสมันตาจักสุไม่มีอะไรขัดข้องในธรรมทั้งปวงแล้วก็ทรงทราบด้วยพระปัญญาอันสามารถในการรู้ธรรมทั้งปวงทรงเห็นรูปอันพ้นวิสัยแห่งจักสุ ข, ของสัตว์ทั้งหลายแม้ว่ารูปที่อยู่นอกฝาเป็นต้นเนี่ยดยมังจาสักลูพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมีมีพระเนตรแบบไม่ต้องใช้ ปัญญาที่อิทธิฤทธิ์เนี่ยมองได้สิบปดกิโลมองได้เงี้ยมองขนาดได้เป็นยอดโยอสายตาธรรมดาอย่างเรานี่มองกิโลนี่มองมัวหมดเลยนะใช่ไหมไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยพุทเจ้าเนี่ยมองอะไรทะลุทะลวงให้ตาธรรมดานะเป็นตางคนมีบุญน่อย่าแปลกนะถ้าเหี่ยวมองเห็นอะไรไกลๆยอย่าแปลกพุทเจ้ายิ่งกว่านั้นเยอะเล็กๆก็มองเห็นได้อันนี้ไม่ต้องอาศัยอิทธิฤทธิ์ถ้าอาศัยอิทธิฤทธิ้ยิ่งกว่านั้น มองถึงกระแสใจของสัตว์โลกทั้งหลายเห็นด้วอยอางนี้เป็นตน้นอันนั้นก็เป็นบุญบุญบรารมีของแต่ละบุคคลเอาแล้ววันนี้ก็สมควรเงียวเวลาแล้วด ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยท่ทานพระอาจารย์ประลัดสมทบพระกะโมวัดกลางอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรี ฟังครับการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงดังพุทธภาษิตบทที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติละโปรดติดตามรับฟังการบรรยายพรัมชาณสูตรในครั้ง ต, ต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ปา प ाติปาโตโोวัชกุ क ु स ल म पानाति पाता บे र म าน कुसल อดินนาดาน้ำโขวัชชะกุศลัมอดินนาดานาเวรมันีกุศลั कामे सुमिच्छा चारों खो व च ् छ ा कुसलम कामे सुमिच्छा चारा व े र म न ी कुसल म มูซาบาดอัลกูวัชอะกุเซลัมมูาบาดอเวดามกุล พิศูนยาว่าจะโขมภะจะอกุศลอมพิศูนยาว่าจะยาเวรรมาห ขลัฟรสายวายเวรมัสพับปลโ วัชระกุศลมสมภพลาปาเวรมนีกุศลมอะบิทาโควัชระกุศลม अ न भ ि च ् छ ा क ु स न म व ् य ा प ा र ो खोबच्छत क ु स न म अ व ् य ा प ा द ो क ु स न म กุศลสมมาดิพทิกุศลอิทิโควัชะดัสสธัมมาอกุศลัสสธัมมา